ใจต้องการผิดที่ไม่ทงตาสังคมรอองขานหรือถามสักคำมองกันตรงไหนวัดคนวัดด้วยอะไรแค่เพียงร่างกายภายนอกใช่ไหม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 เธอจะขอแคเ่เพียงชั่วคราวที่ใจต้องการ mm. เธอเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนระหว่างซอนทางสิ่งที่ใจต้องการกับความจำเป็นรอบตัว mm. ต้องกลายเป็นชายกลางวัน mm. เป็นผู้หญิงกลางคืน อาจาตางกันไปหากกลกันคนละยาแต่ไม่น่าจะเดือดร้อนใครหากมองลึกๆข้างในก็คนหนึ่งคนที่มีหัวใจ แต่ใจหลักกันหากจะขอแคบเพียงชั่วคราวที่ใจต้องการเธอเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนระหว่างสองทางสิ่งที่ใจต้องการกับความจำเป็นรอบตัว กลายเป็นชายกลังวันเป็นผู้หญิงกลังคืนอาจต่างกันไปหากแปลกกันคนละอย่าแต่ไม่น่าจะเดือนร้อนใครหากมองลึกๆข้างในก็คนหนึ่งคนที่มีหัวใจ All right.